ก็ยังเห็นอยู่ที่เขายังไม่หายไปไหนที่นอะไรเหลือไปทางอื่นจุดจึงของบริขารของตนมาเรียบร้อยขั้นที่สามเรามองไปดูเพื่อกั๊สอบว่าเออที่ปรากฏเดือดอันนั้นจะยังเห็นอยู่หรือหายไปแล้วพอมองไปขั้นที่สาม สุกนั้นเลยอันตราธานหายไปเมื่ออันตราธานหายไปมองไม่เห็นในขณะนั้นจิตโกลย์นึกขึ้นในใจว่าอ๋อย่างนี่หนอพวกภาวนาเห็นภาพมิตรต่างๆที่ปรากฏในขณะที่ตนภาวนานั้นคือเห็นรูปภาพต่างๆที่มาปรากฏนั่น เ, นเองเข้าใจเอาว่าตนได้ ญาณคือได้หูทิศตาทิศและในร่วมรู้จิตใจของบุคคล อ, อื่นพวกนี้เมื่อเห็นภาพจินตุลึ์อย่างนี้ก็น้อมใจเชื่อในภาพจินตุลยที่ปราปกฏขึ้นว่าตนได้บรรลุทาพิเศษมีมรรคผลเป็นต้นเดยเกิดทิดฐิมานะปว ด, ดดีปวดดีผลที่สุดพวกนี้ก็เลยเสื่อมไปมัได้รับ ประโยชน์การแค่จริงในธรรมะเรื่องนี้เคยปรากฏแก่พวกนักภาวนานักปฏิบัติมาเป็นหลายหลายมีความปรากฏเกิดขึ้นในใจในขณะนั้นและในบรรญาที่หนึ่งนั่นแหละปรพิจาก็ได้ทำความภาพความเพียรโดยขมักขเมียน มีการกดรับอดนอนกดอาหารสลับสับซ้อนกันไปตลอดพรรษาต่วนด้านจิตใจก็มีความปักไห่ในการภาวนายังบริกรรมอยู่พุทโทพุทโเต็นพื้นบางครั้งก็มีการพิจารณาร่างกายของตนที่เคยปรากฏว่าเป็นอาสุภักของเปลยอเนา่าเมือ่อออกปรรษา แล้วมยมวันดาที่ตรวดเป็นสีก็กลับบ้านไปอยู่กับลูกหลานสวมข้าพเจ้าเิกจิแแล้กก็เลยอยากเดินขุนดงจึงได้เพื่อนคือสามเณรคนหนึ่งเป็นเพื่อนออกเดินขุนดงจากสนับที่จำมรรษาเดินท้งนั้นเดินด้วยเท้าทางนั้นสมัยนั้นไม่มีรถ นี้จะทางเกวนและาทางคนการคมนาคมในสมัยนั้นรู้สึกว่าลำบากมากเริมจากอำเภอเริมงรกษาจังหวัดบนราชธานีเื่อยจะไปนมัสการพระชาตุนมซึ่งข่าวเล่าว่าเป็นที่เป็นที่บรรจุพระบรมธาตุของพรุษเจ้าเลยพากันเดิน กับสามเน้น เ, เดินข้ามดงบางอีผ่านมูองบ้า น, นต่างๆไปทิระยะคอยเดินตัดงตเรื่วยไปถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนจึงถึงถาถากกพระธาตุนมและคนมัจกาลพระธาตุนมพอสมควรแล้วก็เลยเดินตัดงไปที่เมืองเลเรนูไปทับอยู่ที่นั้น ประมาณตักสองเดือนเราเดิมขาตับผู้บนราชสถานีขาตับกตักองเดียวกับผู้เดียวส่วนสามเณรนั้นไม่ตับด้วยเดินผู้ลงองเดียวจากเรโนถึงผู้บนราชธานีขาดงบางอีอง์เดียวเมื่อผลจากลงบางี มาถึงชายดงมีระหว่งางอำเภอเริงน ก, ากตาเยตอำเภอเรืงนกตาบ้านไรกับบ้านหนองยางขึ่งตามกันระหว่างนั้นยังเป็นป่าเป็นดงพอเดินมาถึงนั้นได้กินเหม็นที่กลางดงละก็เลยที่อรกินอันนี้ที น, น, ทนี้กินเหม็นเนี่ย ไม่ใช่กินของสัตว์กินของสัตว์ไม่เหมือนอย่างนี้ก็เลยสํารวจ ด, ดูติดดูตามกลิ่นนั้นเลยไปพบศักดิสุภะคืาาอศัตกคนตายอยู่ข้างถนนอดู่ตะปองอยู่ร่องนอนตายอยู่นั้นไปเอาะเมื่อข้าพระเจ้าเข้าไปสํารวจ ด, ดูเลยนึกขึ้นในใจว่า แหมเราโดนมาพบถุงทัพย์อันก็เกิดแล้วยากที่จะพบจะเห็นได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราควรจะเพ่งอาสุภะนี้ให้ได้เมื่อคิดอย่างนี้จึงไปวางคือตรงบริฐานไว้ร่มไม้แห่งหนึ่งแล้วก็เตรียมตัวมาเพ่งอาุภาะ สางจบ ส, สากผีคือนอนตายอยู่กางป่าอยู่ตะกองทางรถที่เขาทำใหม่เพิ่งดูทนิ้พิจารณาดูสากอสุภานั่นสรากอสุภะสางศบวันนี้อาจจะตายได้หลายวันแล้ว5ารือหกวันหรือเจดวันนี่แหละสังเกตดูในร่างสากอสุภะนั่นเปือยวะเลย ส่วนตะไรไส้พงมีตะนอนเจาะใช้กินหมดหรือแรงตาเอาไปกินส่วนในตาก็มีตะนอนในปากก็มีตะนอนหาทั้งสองก็มีตะนอนในขณะนั้นเพ่งแล้วก็ได้น้อมเข้ามาดูตนของตนว่าเราก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความจรินอย่างนี้ก็ได้ในขณะที่เพ่องอยู่อย่างนั้นแหละ ใจหนึ่งได้คิดขึ้นว่าแม้สรการุษภานี่เป็นของชี่น่าอุจจารเราควรจะเผาเสียให้หายอุจัารเพราะท่านว่าการเผาศักดสัดส์ศักด์ีที่คนตายได้บุญเลยสุดๆมากใจคิดอยากจะได้บุญมากเลยลืมเรื่องสัตว์ที่อยู่ในสัการุภานั้นตกลองว่าจะเผาไปเลยไปหาเจ็บเอาฟืนที่ไม่ตาย อยู่ในฝ่ายลงกองไว้ค่อข้างอศัศวะพอไม่เก็บเอคืนมาแล้วใจหนึ่งนึกเป็นว่าอ้าวเราเป็นพระเราจะมาเผาซากอาัศวะได้อย่างไรเพราะยากมันยังเสียวสดอยู่นี่แ่ะและในาศากอสศวะก็ยังมีตัวสัตว์อยู่นี่เยอะแยะถ้าเราเผานี่มันก็เป็นโทษ เป็นอาบาัติตาจิตติฆ่าสัตว์และทำลายพืชโทษของเขียวนี่ใจเหรอทำคุณจะได้โทษทำบุญจะได้บาปนันเนี่ยนี่ใจหนึ่ง้นกเลยใจไม่เขล่าลอยมาพิจรารณ า, าสาสตร์สานั้นเข็นมือนอนทงไหร การวยนบอลจะใช้กันจินอยู่ตามสาสอัจฉาะนั่นนั่นในปากเต็มไปด้วยน้อนขาั้งสองเต็มไปด้วยนอนในชีกนใอกหน้าอกเต็มไปด้วยนอนขาข้งสองเต็มไปด้วยนอนสวานนับสะวานเบาเต็มไปด้วยนอนหมดไม่มีอะไรเลยไม่เก็นอันเหมือนขาไปจาเพลงอยู่นั้น มาถึงชาติสุภาเดินมาถึงชาตสุภานั่นประมาณเที่ยงวันได้เพ่งชาติสุภาอยู่นั่นสามชั่วโมงบ่ายสามโมงทีแรกคิดว่าจะนอนเพ่งอยู่ที่นั่นนอนข้างเต็มคัทข้ามเตนอยู่ที่นั่นเพราะในขณะนั้นไม่คิดถึงความกลัวเลยคิดแต่อยากจะเพ่งชาติสุภะให้ได้แต่ดวงมาเห็นส่วนมกลัว ไม่คิดเห็นเลยในขณะนั้นจะเป็นด้วยเหตุอะไรใหม่ศักดแต่คงใจว่าจะนอนเึ่งอาสุภาษ์อยู่ที่นั่นทากคมภาคกบเทือนอยู่ที่นั้นเข้าใจคงใจว่าจะไม่กลับไม่นอนเลยพอบายสามโมงนีชาวบ้านสองคนเดินมาด้อมด่อมมองๆ ม, ม, มามาสูซากอาสุภาษ้าเจ้ามองเห็นเลยไปถามเขาดู ออกจากซากขุทภะไปถามกระดุว่าซากศพซากคนที่มาตายนี่มันตายด้วยเหตุอะไรถามชาวบ้านสองคนนั้นชาวบ้านสองคนก็ตอบว่าคนที่มาตายอยู่นี่เป็นคนนาถาคนทุกคนยากเขาตายเพราะเขาหอดเขาหนิวเขาจึงมาตายที่นี่แล้วพวกโยมมาทําไมถามเขาถามพวกโยมนั่นเขาตอบว่าพวกผมมาเพราะเจ้านายตายไงมา รวดูสากอสภามาเป้ามารักษาสาอสภานี้เพราะสากอสภานี้ไปเจ้าหน้าที่เขายังไม่ได้มาฉันตรดูเขาจึงให้มาเป้ารักษาไว้ตาพระเจ้าเลยถามเขว่าอาตมาไม่เห็นสากอสภานี้แล้วคิดอยากจะอยู่เพ่งสากอสภานี้สักคืนหนึ่งจะได้ไหม ชาบ้านสองคนเขตอบว่าไม่ได้ครับเพราะสักอาชญาสักกดนี้ยังไม่ ส, สันสุถูกต้องตามกฎหมายอ้ามาถ้าท่านมาเกาอยู่ที่นี่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะสงสัยหาว่าฆ่าคนขอท่านข อ, อนมณลท่านหลุดออกไปสยให้พน้นจา ก, จากสักอสุภ า, านี้ย่าพระเจ้าไปเลยถามเขาว่าสาหรับสิ่งของ ที่อยู่ในซากศพนี้นี่คุกกระแตนกผ้าพระโต้เรื่องหนึ่งอาตมาคิดว่าจะซักบังคับคุนเพื่อทรงบุญคิตให้แก่ผู้ตายจะได้ไหมเพว่าไม่ได้พอซากศพนี้ยังไม่สันสูตถูกต้องตามกฎหมายถ้าจะซักบังคับคุณเราเขาจะหาว่าฆ่าคนจะผิดกฎหมายขอในบอลท่านปลีกออกไปให้น้นเสียนี่ชาวบ้านก็ว่า และในซากศพนั้นยังมีผ้ากีโตคือผ้าขามาผืนหนึ่งในเชิ้ผ้าขามานั้นมีพอดห่ออะไรไม่ทราบเมื่อชาวบ้านเขาว่าดังนั้นผ้าไปเจ้าก็เลยเดินทางต่อไปจนไปถึงบ้าน น, นน้ำแพร่ใ้อำเภอนาดเจริบหมดเวลาพอดี เคยพักปรากฏที่ริมป่าชาต้มไม้แห่งหนึ่งพอจะบินตบบาทถึงพระเจ้าอาบนำชำระกายแล้วถึงเวลาพบกรรมก็เข้าที่ลายพระทำวัดสวดมนต์ตามประเพณีแล้วก็นั่งภาวนาถือจะนาศัาบิศักดิ์ศีักดิสุภะที่เคย เช่งพิจนาที่ตนเห็นมาแล้วตอนกลางวันน้อมเข้ามาคื่ตนของตนเมื่อพิจนาอยู่ในขณะที่ภาวนาพิจนาศาสาร์ุภัชายันแหแลปรากฏในใจว่าศาสอสุภานนั้นเต็มไปหมดในบริเวณที่นั่นแทบจะกระดิกกระดุกขาไม่ได้เลยเต็มไปเลยนี่ปรากฏในจิต ถ้าเราหลับตาลงต้องปรากฏขึ้นเลยมีเป็นอย่างนั้นในสมัยนั้นแล้วก็ น, อนอ้อมกมาดูร่างกายของตนว่าร่างกายของเรานี้ก็จะเป็นอย่างนี้ร่วมความเป็นอย่างนี้ไม่ได้เกิดความตโสดสังเวชในชีวิตของตนที่เกิดมาว่าเราก็ต้องมีความตายอย่างนี้รูอสึกว่าในคืนนั้น จิตใจสงบและเยือกเย็นสบายมากไม่มีก็รดุกระดีกเลย น, นั่งภาวนาตั้งแต่ปฐมยามจนถึงตีสองทาวนาจรางศรัทธาโดยอย่างนั้นทีนี้เมื่อถึงตีสตองก็เอินเกิดผนเกิดลมเกิดตะยุเพราะในระหว่างนั้นเป็นเดือนพฤษภาว้าใหม่ผนใหม่กำลังพนอง ทั้งฝนทั้งลมกดและมึงทีกลางไห้ปีวิสวันข้าพระเจ้าไปเลยลดมึงาพับให้ดี้าสังฆาัดใส่บาขฝาปิดให้ดีแล้วก็เอามือก่อ้อมกดจับกดไห้คันกดไห้ให้เน่นกันฝนนั่งภาวนา อยู่อย่างนั้นฝนและลมกต็ตกอยู่อย่างนั้นนะร่างภาวนาไปเรื่อยใจก็สบายใจก็เย็นฝนก็เย็นลมก็เย็นเป็นอ ย, อย่างนั้นฝนตกรประมาณสักสมปมงกว่ากว่าก็เลยหายไปพอตืน่นเช้าไปลินธบัดตามชาวบ้านมาฉันฉันเสร็จแล้ว ก็เดินทางต่อไปถึงบ้านเดิมไปเยี่ยมยมมันดาอมมันดาได้สึกลาศิษยาจากแม่ชีก็ อ, อยู่กับลูกหลานตอนนี้ข้าพเจ้าไปพักอยู่บ้านชั่วคราวเกิดความป่วยขึ้นอาการไข้จับไข้ไข้ลรงมานอ่า จับไก่สันไส่ปากมีใก้รราาและเท้ารำสาทานอาจารย์บุพระสุทัศนประกาศซึ่งทานเป็เจ้าคณะอำเภออํานาจเจริญอดีตเจ้าอาาสอดีตเจ้าคณะอำเภออานาจเจริญที่ท่านบังน่ะเป็นอยนั้นทานแล้วแต่งยมให้ก็รับข้าไปเจ้าไปจํำภาษาที่บ้านชาตินองอีเรนทีบ้านของท่านเมื่อยม์ ร, รับเอาข้าไปเจ้า ก็รับนเมีมนของท่านอาจารย์ที่แปลดนมารับเอาเพื่อจะจำภาษาที่บ้านของท่านอาจารย์วัดคุ่งบ้านชาติน้องอีนินในภาษาที่สองแลท่านพระอาจารย์สมทรงเป็นเจ้าอาวาสดูที่นั้นในการภาษานั้นก็ทำสมภาคสนเดียนก็สมควรและในการภาษานั้นได้เกิดผเอืญองอีแต่แก่ เนี่องจาขอเราให้ฟังเพื่อสมบุรณในประวัติที่ผ่านมาเออสมัยนั้นอันตาที่สองนั้นนะเห็นหญิงคนนึ่งหญิงคนนี้แต่สมัยก่อนเมื่อครั้งข้าพเจ้าได้ทาราชการหรือทา ง, งานกรมทางหลวงแถนดินมันเองที่ทำประจำอยู่สายบุนบนน้ำพันธนุม สมัยเป็นนมเห็นประผมวัยเห็นหญิงคนนี้เขาเป็นสาวแก่เห็นเขาเดินตามทางเดินไปลงบนแล้วก็เดินกลับขึ้นมาบ้านที่บ้านเขาอยู่เขตอำเภออนาจข้าพระเจ้าจําได้แต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่บ้านไหนไม่ได้ถามเขาเห็นเขาเดินไปเดินมาอบ่อยนี้ เมื่อข้าพเจ้าได้บวชมาสามัคคที่บ้านชาติหนองอินินจงเห็นหญิตคนนี้รู้ว่าเขาแต่ตอนเขาเคยดนไปเมืองบนกลับไปกลับมาอ่หญิงคนงงนี้เมื่อตามที่ข้าพเจ้าบวชเขาเป็นคนแก่แล้ว่ประมาณอายุสี่สิบปีนีแหละที่ตอนที่ข้าพเจ้าสามัาคที่วัดทุ่ง บ้านชาติน้องอินินนั่นแหละเห็นหญิงคนนี้ถือมอยาความมากออกจากบ้านน้องอินินมาอาศัยอยู่วัดดูรานวัดไตรรุ่มไม้สามศาอยู่ร้านวัดซึ่งเป็นญาติของท่านอาจารย์มนั่นเองอเป็นญาติของอาจารย์ะวัสด์นันเองเพราะท่านก็อยู่บ้านนั้น แล้วท่านจะรู้ดีอ่าแล้วหญิงคนนั้นก็มานอนอยู่ที่ร่มสำสานั่นแหละต้มยากินอ่าเดี๋วมาหลายวันหญิงคนนั้นก็เลยตายตายอยู่ร่มไม้สำสาอยู่ลานวัดตอนนี้จะตายการคินพราะตื่นเช้าเข็มนอนอยู่เนี่ยที่พวกญาติโยมกี่มาวัดมาจังหันพระอ่า เห็นหญิงคนนั้นนอนไม่ลุกโยนคิดสวงซึ่งจนยาดของหญิงคนนั้นเลยจะตกพอไปตกไปดูที่ไหนได้มันแจงแล้วมันตายแล้วะโยนทิดสวงนั้นก็เลยมาเรียกมูให้ไปดูมูลกล็เลยไปดูขั้นไปดูก็เปิดผ้าซึ่งผ้าที่มอ่าพอเปิดซึ่ง นีแตหนอนเต็มไปหมดน่เหมอนขึ้นเลยนั่นถวานเบาเต็มไปด้วยนอนนอนบางตนบางตัวมีขนก็มีเจะใะช้กินอยู่ถวานเบาของหญิงนั่นนั่พระเจ้าได้ยินแล้วอยากจะไปเช่งดูเอ๋คิดสภาพเห็นจบที่ตนเช่งนั้นมา ผสมกันกับศพนี้เออควาอึดหนาลอาใจเออควาตรวจสังเกตใจคิดเบื่อขึ้นไหนน่ะจิตใจยินรุนในความเบื่อคนหนายมากใน่ยังงั้นอันนี้ยญาติพี่น้องของหญิงคนนั้นเขาพูดกันว่าอย่างนี้ละมันเป็นแม่จมันเป็นโลกบุรุษตามโลกกินมัน น่ะมันเที่ยวเดินไปเมื่อวบนแต่เขาสีเขาเส้นเรามันกติ้นโลกมากให้ลูกหลานผัวมึงหัวกัวมึงว่าใจในวัดได้ว่านี่เราใจทุกกจยากเพรว่าอันยากก็ว่านอนก็หนีมันใช้ยินหนีมันนั่นนี่พวกญาติเขารู้ประวัติหญิงจะมีดีเขาเล่าเขาพูดกันตาพระเจ้าจำได้ ตอนนั้นเผาไปเลยเอาไปเผาที่ป่าชานีคำถามที่สองเกิดเพาเอมเห็นตาดสพากผีที่ตายอยู่ในวัดนั่นแหละเป็นขั้นที่สองเกิดความตรวจสังเกตใจยิ่งหนกหนาเขิดเบือคิ็ดไหลเข็ดอ่าเมื่อออกปัญญาแล้วได้เข้าไปประชุมวัดใหม่เห็นว่าวัด ที่อยู่กลางทุ่งมันไม่ดีไม่เหมาะแล้เข้าไปประพงวัดใหม่ที่ดอนเมืองเพราะดอนนั้นเขาเรียกว่าดอนเมืองดอนเจ้าผีดอนเจ้าปู่ดอนเจ้าปูตาของเขาเขาถือว่าเป็นดอนที่ศักดิ์สิทธิ์เขายำเก่งมากคนในบ้านนั้นในแถบนั้นมีต้นมะยญยๆเป็นดงนมีสตว์ปามีพวกเต่าวพวกกระโหลกมากพวงูมา ก, ก, งงมากอ่า อ่าพระเจ้าไปเลยอาโมูพวกเข้าไปถูกดวงในที่นั้นนะเริ่มเบื่มดีต้นไม้ใหญ่ๆมีร่มมีอะไรดีโอ้อากาศดีแล้วงั้นเลยสร้างวัดกันว่าขึ้นที่นั้นเลยตปนวัดเป็นว่ามาจนปัจจุบันเดียวนี่เขาเรียกว่าวัดบ้านนาจิต ด, ดอนเหมือกองไปโยไม้ได้ให้โยกขุด <c oughs> ที่มันมันเป็น ที่สูงสุดปสายกปในแขนพระพุทธรูปกูมีในสองโบราณวังดินไว้ลึกมีด อ, อนนันสำคัญเขาเรียกว่าดอนเมืองนาเนี่ยั้ น, นาที่สามในจำมัจาที่วัดบ้านนาจิตดอนเมืองซึ่งเป็นบ้านของพระอาจารย์บุมัาเองอในวาดนี้อธิษฐานจะทำคําเพียนไม่รับไม่นอนตลอด พรรษาพาทำไปทำไปในระยะเข้าพันษาก็เลยอธิษฐานพร้อมด้วยประกาศโมคณะครูบาอาจารย์ให้ทราบว่าในพรรานี้จักไม่นอนจับตั้งอกตั้งใจทำก้มภาพคุมเพียรไปจนตลอดพรรษ า, าเมื่ออธิษฐานแล้วก็ตั้งใจ ทำกค้มภาพก้เทียนในระยะนี้ยังใช้คำบริกรรมเป็นพื้นตลอดและก็มีการพิจารณาบ้างเล็กน้อยแต่ก็ใช้คำบริกรรมว่าทุกโธพุโทโธเป็นส่วนมากเมื่อทำไปกดนอนไประยะครึ่งคันจาก็เลยเกิดอาการริดปริทางชาตคือขาดขันไม่อ่อนหนยนี มันสมองคือน้ำมันสมองไหลออกมาจากทางจมูกเป็นน้ำเหลืองได้เอามือฝ่ามือลองดูเป็นสีเหลืองมันลอยหยดรงจากมันสมองมาตามช่องจมูกเป็นอยู่อย่างนี้ไปนานวันเลยกาปรียนท่านพระอาจารย์ผู้เป็นเจ้าวาดให้งชา ท่านเลยมาสังเกตดูตาของข้าวเจ้าเหลืองเป็นตาเหลืองไปหมดเหมือนกับตาลูกเข้าหรือตาแล้วหรือตาเยี่ยวทนอาจารย์เห็นอาการวิตกกิริสผิดปกติอย่างนั้นท่านก็เลยอ้อนวอนให้รับให้นอนให้พักผ่อนบ้างวิตให้อดนอนไปตลอดระยะที่ท่านอาจารย์ อ่อนบอลแนะนำให้พักก่อนหลับนอนบ้านยังไม่ทำตามคำแนะนำของท่านยังอดหลับอดนอนอยู่ต่อไปตากกเหลืองเข้าท่านก็เลยทำการขูดเร็มกำรำให้รับให้นอนถ้าไม่หลับไม่นอนไม่ได้นะท่านจวนนี้ทำแบบนี้ใช่ไม่ได้เดี๋ยวตาบอดตาเสียเนี่ย จำเป็นข้าพระเจ้าก็เลยพักผ่การหลับนอนบ้างเล็กน้อยแล้วก็ยังไม่เลิกละับทำความภาพควมเพียนตั้งใจอยู่แต่ก็มีการพักก่อนหลับนอนฝักกลกันไปในระยะปันษาสีสามนี่แหละเลยเกิดเหตุปฏิพัฒ ร, รักใคร่กับหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาเคยก็วัดมาจังหันบ่อย เกิดปฏิพัฒ์รักใครมีความรักความกำหนัดแต่ก็ทำความภาคาบัเญียนไม่หยุดจอดแต่ก็ไม่คิดปากบอกใกลๆให้ทราบรับแต่อยู่ในใจนี้ในบรรดาที่สามในบรรดานี้โดยคิดขึ้นได้้ดยอธิษฐานถึงท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตมหาเถระเพร า, าะสมัยนั้นข้าพเจ้า ได้ยินแต่ชื่อท่านยังไม่ได้พบเห็นท่านเลยคำอธิษฐานว่าถ้าขาพระเจ้ายังจะมีบุญวาสนาจเจริญอยู่ในธรรมะจันทร์้าพระเจ้าท้าพระเจ้าไม่ได้บรรลุคุณธรรมขอให้เ ม, มิตรเห็นท่านพระอาจารย์มัน่นไปได้กราบได้วาท่าน หรือใดสนตนาฟังธรรมเจตนาของท่านพอเป็นที่พอใจ ข, ข้าพระเจ้าไม่มีมือนวาสนาแล้วกออย่าได้บรรลุธรรมหรืออย่าได้มิมิเห็นท่า น, นพระอาจารย์มั่นเลยใครมิมิดหรือฝันเห็นสิ่งที่ลา ม, มกซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ปรารถนาพออธิษฐานก็ทำความภาคุมเพียนไป ระยะห่างกันสามวันเท่านั้นจากะทมอธิษฐานคณะที่พักค่อนขเลยนิมิตว่าถ้าพระเจ้านี่แหละไปเดินทางไปสู่สนักของท่านพระอาจารย์มัน่นเข้าไปสู่วัดของท่านพอดีได้เจอท่านพบท่านอยู่กลางลานวัดพอมองเห็นท่านรู้ขึ้นในใจว่านี่ท่านพระอาจารย์มัน่น เหมือนกับได้อยู่ร่วมท่านมาแล้วนายว่าเพราะท่านเลือตามาเห็นข้าพเจ้าท่านก็ทักขึ้นเลยว่าท่านชวนมาแล้วดังนี้เนื้อข้าพเจ้าก็เดินเข้าไปจะไปกราบนมัสการท่านท่านก็เลยโค้งหลังให้ข้าพเจ้าทีข้าพเจ้าไม่ขีท่านก็บอกให้ขีอ้อนวอนให้ขีข้าพเจ้าไม่ขึ้นขีหลังท่านกลัวจะเป็นบา ท่านก็นเลยใช้การขูกเก็บคํารามให้ขี่ข้าพเจ้าประจําเป็นเลยขึ้นขี่หลังท่านเหมือนกับสี่มา้าพอไปกระโดดขึ้นหลังท่านเท่านั้นท่า น, านก็นเลยตาเหาะขึ้นบนอากาศจนหลีกเมฆทีเดียวนี้ปรากฏในนิมิตความฝันเมื่อเหาะขึ้นไปบนอากาศจนหลีกเมฆแล้วท่านก็นพาลง ระหว่างกลางภูเขาลูกหนึ่งท่านเลยบอกทานว่าเอาละปานนี้พอดีพอควรท่านว่าอย่างนั้นจากนั้นก็เลยตื่นจากหลับตืนนิมิตข้าพระเจ้ามาพิจารณาดูในนิมิตนั้นเกิดความปิติยินดีในนิมิตแตาตนอาจจะไม่วาสนาบารมีอยู่ในพรหมจาร์แล้วก็ทําความภาคภูมิยนไป เมื่อออกพรรษาแล้วได้ห้าวันท่านเจ้าคุณอริยภุกนาคานมหาเสงกุดโฉสมัยนั้นเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะภาคอ่านมาตรวจการคณะสงฆ์างข้าวอิสารท่านมาแวะเยี่ยมตรวจ ด, ดูที่วัดป่าบ้านนาจิกดอนเมืองเลยเห็นข้าพเจ้าข้า พ, เ จ, าาพเจ้าก็เลยขอไปกับท่าน ว่าจะไปอยู่ร่วมท่านพระอาจารย์มัน่นท่านก็มีความยินดีเลยเอาไปด้วยเอารถมารับไปด้วยจนไปถึงท่านพระอาจารย์มัน่นเมื่อถึงท่านพระอาจารย์มั่นดูลักษณะิริยาต่างๆรูปร่างเหมือนกับนิมิตความฝันที่ปรากฏเห็นในปัญญาินั้นไม่ผิดแปลกเลย ข้าพเจ้าไปอยู่ศึกษาอบรมกับท่านพระอาจารย์มัน่นยาระจ่าอยู่ร่วมท่านตอนที่ข้าพเจ้าได้ไปอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นนี้ในว่าท่านพระภูปัญญะวิสุทธิมหาดุสิตเดวิโรซึ่งเป็นอุปชายะของข้าพเจ้าท่านได้ฝากฝัง กับท่านเจ้าคุณพระยะคุณาธานไว้ว่าขอฝากคุณจวนไปอยู่กับท่านอาจารย์มัน่นดังนั้นท่านเจ้าคุณพระยคุณาธานจึงนำข้าพเจ้าไปฝากฝังไว้กับท่านพระอาจารย์มั่นที่บ้านป่าที่วัดป่าบ้านหนองผืออำเอภอพะลานานิคมจังหวัดสลกลนครจึงได้อยู่ ร่วมท่านเง่ออยู่ร่วมท่านในฤดูแรกแต่ในพรรษานั้นคือตลอดฤดูแรงตลอดพรรษาฟังโอวาทของท่านพระอาจารย์มั่นโดยมากท่านแนะนําให้ปฏิบัติทางวิในให้เข้มขัดและกุะดงการภาวนาท่านแนะนําให้พิจารณาตายเป็นส่วนมากคือให้มีสติน้อมกข้ามาพิจารณาตาย ส่วนใดส่วนหนึ่งตามที่ถูกกระิดนิสัยของตนหรือถ้าหากจิตมันไม่สงบมีความพุ่งสร้างต้านก็ให้มีการนึกน้อมด้วยความมีสติแล้วคําบริกรรมว่าพุทโธพุทโธไปเมื่อจิตสงบแล้วต้านก็ให้พักพุทโธไว้ให้อยู่ด้วยความสงบแต่ก็ต้องให้มีสติให้ชํานนี้ชํานานเมื่อจะนนาน ด้วยการบริกรรมหรือชุนานด้วยความสงบแล้วท่านก็ให้ในสติน้อมเข้ามาพิจารณากายส่วนใดส่วนหนึ่งที่ถูกกิริยนิสัยของตนด้วยความมีสติเมื่อพิจารณาพอสมควรกว็ให้สงบเมื่อสงบพอสมควรกว็ให้พิจารณาด้วยความมีสติทุกระยะกษ์นิสให้ฟังเสือเมื่อจิตมันรวม ก็ให้มีสติรู้ลึกรู้ว่าจิตของเรารวมอยู่เฉพาะจิตหรืออิงอมิตรหรืออิงกรรมฐานหรืออิงอารมณ์อะไรหนึ่งก็ให้รู้ให้มีสติรู้และยาบังและยาบังคับจิตให้รวมแต่ให้มีสติรู้อยู่ว่าจิตรวมเมื่อจิตรวมอยู่ก็ให้มีสติรู้และยาถอนจิต ที่รวมอยู่ให้จิตถอนเองเมื่อจิตถอนให้มีสติน้อมเข้ามาพิจารณากายส่วนใดส่วนหนึ่งที่ตนเคยพิจารณาที่ถูกกัจริตนิสัย ข, ของตอนน้นๆอยู่เรื่อยไปด้วยความมีสตินิสให้ฟังเถออส่วนนิมิตตา่างๆที่เกิดขึ้นเป็นนิมิตแสดงภาพภายนอกก่อตามหรือ นิมิตภายในซึ่งเป็นธรรมะผุดขึ้นก็ให้น้อมเข้ามาเป็นอุบายของกรรมฐานของวิปจารณาคือน้อมเข้ามาสู่ใจรักให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังนัสตาด้วยกันทั้งหมดคือให้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งกวงยรอ่มมีกวามดับไปทำเต็นไปเป็นธรรมดาดังนี้ด้วยความมีสติอยู่เสมอเสมออย่าพิ่งเผลอ เออเพิดเพลินรุ่มหลงไปตามนิมิตภายนอกที่แสดงภาพมาเออนิมิตภายในที่ปรากฏดขึ้นเป็นอุบายเป็นธรรมะก็ดีอย่าเพิดเพลินไปตามแล้วให้มีสติน้อมกมาพิณากายให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามให้เห็นเป็นไตรักเออไม่เพียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามิใฉ่ตนมิใฉ่ของตนมิใฉ่ยของแห่งตนด้วยความมีสติจึงยัยงนั่น เมื่อพิจารณาพอสมควรก็ให้พักสงบเมื่อสงบพอสมควรก็ให้พิจารณาด้วยความมีสติหนึ่อย่างนี้นี่เป็นโอวาทคําสอนของท่านพระอาจารย์มั่นโดยมากท่านแนะนําโดยวิธีนี้แล้วข้าพเจ้าก็ตั้งอกตั้งใจทําความภาคภูมเกียรไปตามคําแนะนําของท่านในพรรษาที่อยู่ร่วมท่านนั่นแหละวันหนึ่ง ข้าพเจ้าตั้งใจพระว น, นาทำความภาคมเพียนตั้งแต่ะสมยามคือยามค่ำเมื่อเสร็จจิตจะวัดทำวัดไหว้พระเสร็จแล้วเข้าที่อธิษฐานนั่งในกรดในมง่งในกุฏิจะไม่นอนคือนั่งพอนั่งไปก็นึกทำบกรรมอยู่ จิตค่อยสงบลงสงบลงก็เลยเกิดนิมิตขึ้นมาปรากฏในใจที่ณะนั่งอยู่นั้นเกิดบริผุดขึ้นว่าประดัดดาประดัดโด ด, ดังนี้ถ้าพระเจ้ากำหนดจิตแปดถึงสามครั้งจึงได้ความเกินว่าอย่าทอถอยไปทางอื่นดังนี้ตอจากนั้นก็เกิดปรากฏว่ากายของตนไหวไปเลย จากนั้นจิตก็รวมลงดูพรพลังลงถึงจิตเดิมทีเดียวถึงข้าพเจ้ายังในขณะนั้นก็ไม่รู้ว่าพระวังขจิตและจิตเดิมเป็นอย่างไรเมื่อจิตรวมลงใสบริสุทธิ์หมดจดหาสิ่งที่เปรียบได้ยากและแสนที่จะสบายมากที่สุดเพราะจิตชนิดนั้นเป็นจิตที่ปราศจากอารมณ์ ดูเฉพาะจิตส่วนล้วนไม่มีอะไรเกี่ยวพันรมอยู่อย่างนั้นตลอดเคืนยังรุ่งพอดีแจ้งสว่างจิตก็เลยขอนแล้วรปรับความเบิกบานตายและใจมีความพิจิเหมือนกับตนลอยอยู่บนอากาศเดินไปเดินมาเบากายเบาใจที่สุดในระยะที่จิตรวมลงนั้น ซึ่งไปพักอยู่เฉพาะจิตไม่มีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเจอปนเป็นจิตที่ใสบริสุทธิ์หมดจดวางเวทนาความเจ็บปวดทั่วเราไม่มีเลยไม่ปรากฏแจจิตเลยคือจิตมันแยกออกจากธาตุไม่เจอปนอยู่กับธาตุอยู่เฉพาะจิตล้ว น, ว น, วนจึงไม่มีเวทนากอดเขินยังรุ่ง เมื่อสวางจิตพอดีถอนพอด้เวลาจะลงทำข้อวัดจิตจะวัดในเวลาเช้าจัดเสนาสนักเพื่อจะกนรับในการไปบินถบาทในตอนเช้าในระยะจิตถอนเมื่อถึงวันใหม่แล้วรู้สึกว่าเบากายเบาใจพอดรงร่วงสบาย เดินไปมาเหมือนกับเราเดินอยู่บนอากาศเบากายเบาใจดีเย็นกายเย็นใจเดินอยู่อย่างนั้นหลายวันวันใหม่เวลาพบคำพระเนนทั้งหลายก็ทยอยกันขึ้นไปรับโอวาทของท่านพระอาจารย์มัน่นกาพเจาได้โอกาสเรียกคับคุณถวายท่าน้ทราบ่าดืนนี้ จิตมันเป็นอย่างนั้นเล่าเรื่องที่เป็นมาให้ท่านฟังท่านพร้าจานมั่นเลยทดสอบท่านนั่งกําหนดพิจารณาพักหนึ่งพอสมควรเออท่านตรวจ ด, ดูจะเป็นจริงหรือไม่พอท่านตรวจ ด, ดูพักหนึ่งเลยเป็นอุทานขึ้นว่าอ๋อจิตท่านจวนนี่ ลงทีเดียวถึงสติจิตคือจิตเดิมทานชมชชยว่าดีนักถ้ารวมอย่างนี้จะได้กำลังใหญ่แต่ว่าถ้าสติตัวนี้อ่อนกำลังก็ไม่นี่เลยกลับเรียนท่านว่าค่อนจิตที่รวมได้ปรากฏอาถาหรืออักระ เพื่อน้าประดัดโดประดัดดาข อ, อนิมทน์ให้ท่านพระอาจารย์แปรให้ฟังท่านพระอาจารย์มั่นท่านเลยบอกว่าแปรไม่ไรหรอกเพราะสมบัติของใครของเราคนอื่นแปรให้ไม่ได้ต้องไปเอาเองท่านว่าอย่างนั้นเรื่องนี้ความจริงแล้ว เป็นอุบายของท่านตางอากรือท่านให้แปรให้เองแปรให้ได้เองรับว่าท่านพระอาจารย์มั่นนี่ใจอุบายผมคลายหลักแหลมมากที่สุดท่านเลยย้อนมาพูดเรื่องจิตรวมจิตก่อนที่จะรวมบางคนก็ปรากฏว่ากายของตนนี่วันไหวจะตกระท่านไปบางคนก่อนจิตจะรวม แสดงภาพนิมิตต่างๆให้ปรากฏขึ้นซึ่งเป็นภาพภายนอกหรือแสดงอุบายภายในให้ปรากฏขึ้นดังนี้ก็มีแล้วแต่จริตนิสัยของบุคคลแต่ถ้าผู้ไม่มีสติยอมเพิดเพลินลุ่มหลงไปตามนิมิตภาพนั่นๆจีกก็ไม่รวมเลยถอนเลยไม่ได้รับประโยชน์ไม่มีกําลังแต่ถ้าผู้มีสติดีจะ มีใ น, นมิตภาพภายนอกหรือธรมะผุดขึ้นภายในก็ให้น้อมก็มาเป็นลุบายของมิปัฒนากรรมฐานจิตก็จะรวมลงถึงขีดจิตเมื่อจิตรวมลงก็ให้มีคติรู้ว่าจิตของเรารวมและให้รู้อีกว่าจิตของเราที่รวมลงอิงอมิตหรือกรรมฐานเมื่อใหม่หรืออยู่เฉพาะจิตล้ว น, วนๆก็ให้รู้อย่บาบังคับจิตให้รวมและ จิตเริวมแล้วอย่าบังคับจิตถอนขึ้นปล่อยให้จิตรวมเองปล่อยให้จิตถอนเองและเมื่อจิตถอนบางคนชอบนิมิตแทรกขึ้นทั้งนิมิตภายนอกแต่นิมิตภายในก็ให้มีสติรู้ว่านั่นเป็นเรื่องของนิมิตหรือเป็นเรื่องของอุบายอย่าไปตามนิมิตและอุบายนั้นให้น้อมกลับมาเป็นนิัพานกรรมฐานยบ ขึ้นสู่ไจรักคืออั น, นิจังทุกขังรัตตาแล้วก็ให้พิจารณากำหนดกรรมาฐานที่ตนเคยกำหนดท่านนั้นอย่าละเลยอย่าละทิ้งด้วยความมีสติอยู่ทุกระยะที่จิตรวมและจิตถอนถาหัดหได้อย่างนี้ต่อไปจะเป็นสันิติโกคือเป็นผู้รู้เองเห็นเองแจงตัดก้นจะตั ด, ดความเกือบดแงสงสยัย ใหม่ลังเลในพรัตนไใจต่อไปนี่เป็นโอวาทคำแนะนำของท่านพระอาจารย์มั่นอุธิศตรษษะมาเชระเมื่อข้าพเจ้าได้รับโอวาทของท่านอย่างนั้นในระยะที่อยู่รพบท่านก็ทำความภาพความเทียนไปตามตริตปัญญาเมื่อออกครนษาแล้วเสร็จปิดทุกสิ่งทุกอย่าง ลำลาท่านออกวิเวกทานก็นเลยและให้ก็อยู่ถ้ำยางบ้านลาดกระเซอจังหวัดสกลนครสายกระสินแต่กอนไม่มีทางรถเพราะถ้า น, นั้นเป็นท่านที่เยือกเย็นห่างจากบ้านสองกิโลต่อไม้นั้นบ้านลาดกระซอยังเป็นบ้านที่เล็กๆสิบกว่าหลังคาเรือนเป็นพวกเจ้าป่าเจ้าเขา พระเจ้าประมุ่งหน้าไปสู่ถ้ำนั้นเมื่อไปถึงถ้ำนั้นถ้ำนั้นเย็นนักเป็นท่านที่เย็นหินปากถ้ำไปทางทิศตะวันตกทาความภาคกมเพียนอยู่นั้นเจ็ดวันไม่ได้รับไม่ได้นอนอาหารที่ฉันลงไปกลางคืนทายออกหมดเพราะเป็นอากาศที่เย็นทาความภาคกมเพียนอยู่ถ้ำนั้นเจ็ดวัน จิตมันจะรวมเกิดนิมิตภาพต่างๆขึ้นบางรั้งเดินจากรมอยู่จิตมันจะรวมก็ได้ยืนกำหนดจิตเมื่อจิตถอนจากการรวมแล้วเพีงเดินต่อไปส่วนนิมิตภาพภายนอกและภายในที่ปรากฏขึ้นในร้มนั้นก็มีอยู่เมื่อกำหนดพิจารณา ดูจิตของตนแล้วจึงรู้ว่านิมิตภาพต่างๆย่อมเกิดจากพลังของจิตที่แสบใส่ไปแม่เมื่อออกจากถ้ำนั้นมาอยู่วัดพักอยู่วัดร่างวัดหนึ่งก็เกิดนิมิตภาพเห็นคนป่วยกายนั่งอยู่ใต้โถนุติที่ในขณะที่ข้าพเจ้ารับตานั่งภาวนายอยู่ปรากฏป่วยกายเป็นผู้หญิง ครั้งแรกข้าเจ้านึกว่าเป็นเปรตเลยสวดมนอุทิศบุญกุศลใด้ภาพนั้นก็ยังไม่หายยังปรากฏอยู่เมื่อกำหนดจิตว่าอาจจะเกิดขึ้นจากพลังของจิตเลยมาพิจารณากำหนดที่จิตของตนภาพนั้นก็เลยหายไปจึงรู้และเข้าใจได้บ้างว่าภาพต่างๆที่แสดง ทั้งภาพภายนอกแต่ภาพภายในที่เป็ น, นมิตให้ปรากฏเห็นในขณะที่นั่งปรับตาภาวนานั้นแต่ร่วนแล้วเป็นเรื่องของจิตเรื่องของจิตที่แสดงรัศมีหรือพลังออกไปหลอกลวงตกางเท่านั้นเมื่อผู้ไม่มีสติปัญญาแล้วอาจจะลุ่มหลงไปตามภาพนิมิต น, น, นั้นเป็นเหตุให้พังเพอและที่สุดก็สําคัญตนว่าตนได้ยานความรู้อย่างนั้นอย่างนี้ ไม่หูทิพตาทิพย์เกิดขึ้นเกิดเป็นทิฏฐิวิปราชไปก็ได้อาจจะเป็นเหตให้ทำแตกไปก็ได้นี่ในระยะนั้นต่อนนั้นข้าพเจ้าก็เดินถูกดงไปตามแถวภูพานจังหวัดสกลนครไปพบกับท่านพระอาจารย์มหาทองสุขซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสุทธวาดในสมัยนั้นและได้ไปฟังธรรมท่าน อาจารย์คงมา